กำจัดแล้วโลกอันมฤตยูกำจัดแล้วโลกอันชะลาปิดล้อมไปแล้วแล้วก็โลกอันลูกศรคือตันหาเสียบแทงไปแล้วยึดติดไว้แล้วแล้วก็โลกคือความอยาก เผาให้เหล่าร้อนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ลองเอามาตรึกดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโลกอันมฤุิยูกำจัดอยู่แล้วนี่มองเห็นภาพว่ามฤุิยูนี่เกิดเมื่อไหร่เป็นอันว่าต้องต้องเด็ดทิษะทุกครั้งไปเลยอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นคนเป็นเทวดานี่กําจัดทุกครั้งไปก็เสียวๆเหมือนกันนะตึกแล้วแล้วก็มองว่าโลกอัญชันลาปิดล้อมไปแล้วดูๆแล้วปิดไว้มิดคิดจริงๆไม่ใช่สีด้านแต่ทั้งข้างล่างด้วยข้างบนด้วยปิดไว้แน่นมากเลยไม่ให้ใครพ้นจากชาลาไปได้ไม่มีใครรอดจากความชาลาไปได้ โลกอันลูกศรคือตันหาปักไว้แล้วนี่ก็นี่ก็หมายถึงว่าให้ติดอยู่ในวะตะัตตาดูไหมครับให้ให้โลกเนี่ยติดอยู่ในออกจากวัตตาไม่ได้นะ่ะถูกลูกศรปักติดไปเลยแล้วก็โลกอันความอยากเผาให้เล่าร้อนอยู่นี้แม่ร้อนจริงๆ น, นะถูกอุ่น เขารกว่าถูกอ oh. ุ <ga> oh. <activities> <get Cem> ่นเครื่องไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมมีความไพเราะมากนะครับสูตรนี้ชื่ออะไรก็จําไม่ได้แล้วท่านว่าไงครับจําได้ไหมครับจําไม่ได้แล้วสูตรนี้แต่เห็นมันสั้นๆดีแล้วก็จําง่ายดีก็ลองตึกดูก็อย่างน้อยที่สุดก็ไม่คิดเรื่องอื่นนะครับท่านครับจนปอดใจไม่คิดเรื่องอื่นนะครับถึงว่าเขาตึกๆไปงี้นะะ การตรึกอย่างนี้ก็คือถึงถึงความเป็นไปของโดยสรุปนะก็คือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ที่กําลังเป็นไปเนี่ยนะซึ่งทุกขสัตว์นั้นก็คืออุปาทานขันห้าอันอุปาทานขันห้าเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตาธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นธรรมะที่มีที่สุดมางั้นใช่ เป็นธรรมะที่มีที่สุดรอบอย่างเช่นความเกิดก็มีความตายเป็นที่ที่สุดรอบดงนั้นความเป็นไปของอุปาทานขันห้านั้นอ่ะไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีความถ้าวร อ, อะไรในตัวของเข้าเลยเพราะว่าตัวของเขาเองไม่เป็นอิสระเฉพาะตัวเห็นไหมขันห้าแต่ละอย่างเนี่ยไม่เป็นอิสระเฉพาะตัวเมื่อไม่เป็นอิสระเฉพาะตัวเนี่ยเขาเนื่องด้วยปัจจัย แต่ที่นี้ว่าอย่างอย่างปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวเมื่อไม่ใช่ปัจจัยเดียวถ้าปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งหมดไปสิ่งนั้นก็หมดไปด้วยเหมือนกับการศึกษาเรื่องรูปที่เราเราค้นคูณ ก, กันก็คือเรื่องสมุทฐานเนี่ยนะซึ่งเราคูณกันอยู่แล้วเนี่ยที่เรานั่งอยู่นี้มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานจิตนี้มีตั้งยี่สบดวงอะนะที่เป็นปัจจัยให้นั่งใหญ่ๆ ห, หลักๆเลย ขณะที่เรานั่งเนี่ยมีจิตใดเป็นปัจจัยใช่ไหมได้คิดหรือยังว่าเอ๊ะที่นั่งนั่งโดยจิตดวงไหนนาะในความคิดในใน20ประเภทมี1ความคิดเป็นเหตุให้นั่งถ้าความคิดอื่นๆเกิดขึ้นไม่นั่งใช่ไหมถ้ามีมีบางอารมณ์ให้เห็นเกิดการนั่งถ้าได้รับบางอารมณ์ยืนใช่ไหมก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป พันแม้แต่จิตที่เป็นสมุทฐานแห่งการนั่งก็ด้วยปัจจัยตั้งหลายประการจิตเป็นประเภทไปแต่ถ้าหากว่าสมุทฐานอื่นๆอนงใช่ถ้ากรรมเป็นสมุทฐานบางอย่างอยากนั่งแต่นั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวกรรมเป็นสมุทฐานบางอย่างอยากนั่งแต่นั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวบางคนอยากจะนอนแต่นอนไม่ได้นั่งอย่างเดียวและก็เพราะกรรมเป็นสมุทฐานส่วนหนึ่ง แข็งเทื่ไปหมดเลยอยากเดินก็เดินไม่ได้ดังนั้นความเป็นไปของรูปก็ด้วยสมุทฐานไร้ประการนะนะในความเป็นรูปประคันของเขาเสร็จแล้วเมื่อเขาเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ถ้าหมดปัจจัยเขาก็แตกดับไปในที่สุดอย่างเช่นอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เติมเชื้ออาหารเข้าไปนี่กี่วันตายถ้ายังยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างเงี้นะ ใช้อิริยาบถผัดผ่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะประมาณเจ็ดวันก็ก็เส้นชีวิตแหละเว้นไว้แต่ว่าไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะเช่นอยู่นิ่งๆเฉยๆ อ, อะไรอางนี้อาจจะอยู่ได้นานกว่า น, นั้นแต่ถ้าหากว่าต้องยืนเดินนั่งนอนพูดทำงานเท่าธรรมดาเลยนะไม่เติมเชื้อเพลิงเจ็ดวันเท่านั้นนะหลยมอดเลยไฟนี่ดับแน่แต่จิตเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วจุติจิตเกิดขั้นหน่อยเดียวก็ดับละ หรือว่าสมุทฐานอื่นๆอีกอย่างไงใช่ไอุตุเป็นสมุทฐานร้อนเกินไปก็อยู่ไม่ได้เย็นเกินไปก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเยน็นสภาพเย็นสภาพร้อนเรียกว่าเตโชธาดเนี่ยน ะ, อ, ะอุณภูมิเนี่ยนะแล้วเตโชธาดมีกี่สมุทรฐานนะเตโชธาดมีเตโชธาดมีสี่สมุทฐานเตโชาต ธ, ธาด ไม่ได้กล่าวถึงอุตุชรูปนะแต่ว่ากล่าวถึงตัวเตโชาธาตถ้าใช้คำว่าอุตุชรูปชาตัวนั้นแปลว่ารูปที่เกิดจากอุตุแต่ถ้าว่าเตโชาธาตคือตัวเตโชาธาตล้ว น, วนเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้เพราะนั้นเตโชาธาตเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยเมื่อเข้าเกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยมันบกพร่องอเตโชาธาตนั้นก็ หมดอนุภาพอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเตโชธาต์หมดอนุภาพนะมันไปทําให้อย่างอื่นหมดอนุภาพด้วยทําให้ปัทวีธาต์เสียหายไปทําให้อาโปธาต์เสียหายเมื่อปัทวีธาต์อาโปธาต์วาโยธาต์เสียหายแล้วมันทําให้อะไรเสียหายทําให้ภาษาทรูปหรือกรรมมัชรูปเสียหายทําให้วัตถุโรปเสียหายเมื่อวัตถุโรปเสียหายจิตอยู่ได้ไหมจิตเป็นนามธรรมซึ่งอาศัยวัตถุ เกิดขึ้นเมื่อวัตถุนั้นพร่องหมดคุณภาพจิตนั้นก็ต้องเกิดต่อไปไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนพภพละเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดรอบนั่นแหละเั้นการทํางานของธาตุเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแ ป, งปรปลุนไปนี่แหละสมมุติว่านายกอนายขอเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่าตายเรียกว่าสมมุติมรณะสมมุติมรณะเรียกว่าตายแบบสมมุติเพราะอะไร พอเดียวก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเกิดใหม่อีกล้เปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนอารมณ์ก็เท่ากับเปลี่ยนพบเรียบร้อยแล้วแล้วในทุกขศัตร์เหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นไปอย่างนี้ด้วยนุภาพของสมุทัยศักดินั่นเองเพันโลกนั้นเป็นไปตามตันหาตันหาแวดล้อมปกปิดหุ้มหอ่อไว้หมดเลยนะทั้งทั้งที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้ามีความแปรปรวนไม่ได้มีความมั่นคงท้าววงแต่ก็เป็นไปตามอํานาจของความ ต้องการเพราะความต้องการนั่นแหละในหนึ่งอารมณ์บางครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความดีใจอย่างล้นเหลืออารมณ์เดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนเวลาเพราะหมดความต้องการอารมณ์นั้นก่อให้เกิดทุกข์อย่างล้นหลามเท่านั้นอารมณ์เดียวนั่นแหละฉะนั้นอารมณ์ใดก็ตามถ้าเราปรารถนาแล้วอารมณ์นั้นไม่เหมือนอย่างที่เราคิดทุกข์ละเพราะเราเพราะเราต้องการจาก ต้องการอะไรแต่และอย่างจากอารมณ์เสมอเลยเนไนะเราเรียกร้องมากจากอารมณ์แต่และอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมน่าจะให้อย่างนั้นกับเรานะน่าจะให้อย่างนี้แกเราเพราะฉะนั้นเราเข้าไปยินดีในลักษณะของสุภาพนิมิตแต่ทีนี้เมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรเกิดต่อโทมนัต ก, ก็เกิดต่อโทสา ก, ก็เกิดต่อไม่ชอบต่อไปเห็นไหมเพระะิร์นตันหาก็เข้าไปฉาบทาทุกๆอารมณ์ ถ้าไปเจออารมณ์ไม่ดีตันหาก็บอกว่าน่าจะดีกว่านี้นะจัดแจงและถ้าไปเจออารมณ์ที่แบบที่เราชอบ อ, อ, อยู่อย่างนี้พอได้เกี่ยวข้องมากๆขึ้นเ อ, อ๊ะน่าจะเพิ่มคุณภาพมากขึ้ น, นก็ต้องการเพิ่มเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆมันก็ฉาบทาไปเรื่อยใช่หมเพรานจิตที่ไปยินดีในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะก็จากอารมณ์หนึ่งเปลี่ยนไปสู่อารมณ์หนึ่งก็เท่ากับเปลี่ยนวิถีลนะเปลี่ยนอารมณ์ก็เท่ากับเปลี่ยนวิถี ที่จริงอะ่ะมันวิธีมันก็เปลี่ยนแม้แต่อารมณ์เดียวมันก็เปลี่ยนวิถีนั่นแหละแต่ถ้าพูดให้มันกว้างหน่อยก็คือเปลี่ยนอารมณ์หนึ่งครั้งก็เท่ากับเปลี่ยนหนึ่งวิถีประเภทหนึ่งออกไปนะก็สลับชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แล้วแต่ละความวิถีที่เป็นไปส่วนใหญ่ก็มีตันหาเป็นเครื่องฉาบทารูปไลคนที่ได้รับความทุกข์อยู่ก็ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งมาชดเชยก็ร่ําร้องหาอารมณ์บางอย่าง พอได้อารมณ์บางอย่างก็ร้องหาอารมณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆเรยๆเรื่อๆนะตอนแรกๆก็เมื่อเราจะปลูกดอกไม้นะหาได้เมล็ดพันธุ์นึงก็จินตนาการความหวังว่าดอกไม้ของเราต้องเป็นพุ่มแบบนี้ปลูกรดน้ำพลวนดินเนี่ยนะไปจนถึงเป็นพุ่มหม่เายถ้าเราเอาพันธุ์อื่นมาเปลี่ยนมันก็คิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรยๆมันก็อยู่อย่างนั้นแหละงนั้นโทษภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็มองมองไม่เห็นเลย คือมองไม่เห็นว่าที่เราไปเกี่ยวข้องนี้เป็นตันหานี่พาให้ทำอะไรนะตันหานี่เข้าเป็นอุปาทานด้วยเมื่ออุปาทานจะต่อด้วย โ, <ป>โดยพบ น, น, นะมันทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นกรรมพบก่อนนะอันดับแรกใช่ไหมทุกๆอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องเป็นกรรมพบกรรมพบเพื่อวิบากของของกรรมพบเรียกว่าอุปติภพมันก็ต้องสร้างเหตุสร้างภพใหม่อยู่ตลอดมันกัน ได้อารมณ mm ์ไหนก็สร้างพบใหม่และวเห็นก็สร้างพบใหม่ได้ยินก็สร้างพบใหม่หายใจเข้าก็สร้างพบใหม่ทานอาหารก็สร้างพบใหม่นั่งคิดอยู่เฉยๆก็สร้างพบใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของเป็นอะไรกรรมนิยามเป็นนิยามของชีวิตที่เป็นไปรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามก็เป็นอย่างนี้แหละก็อารมณ์มีความสําคัญที่ความหมายของตถาคตมีอยู่ข้อหนึ่งไงยครับ ที่บอกว่าอะไรนะรู้อารมณ์ที่แท้จริงใช่ไหมเจนพหมายความว่าแสดงว่าอารมณ์มีความสาคัญมากใช่ไห ม, ม, ม, มถ้าไม่รู้จริงไม่รู้เกี่ยวกับอารมณ์แสดงว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้ตัดสรู้เจนพานช่ถ้า<ช>ตัดสรู้แสดงว่าต้องรู้วิจใจอารมณ์อย่างรู้อย่างละเอยีย<ม>ดว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยก่อให้เกิดจิตใดบ้างหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะถ้าสมมตินะหนึ่งอารมณ์เนี่ยก่อให้เราเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะอารมณ์เดียวเนี่ยทําให้นอนไม่หลับก็ได้ ทำให้อารมณ์อันนั้นนหละทําให้หลับปุ๊ยต่อไปอีกก็ได้เพราะนั้นหนึ่งอารมณ์ให้อิริยาบสีเลยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะอารมณ์นั้นแหละอย่างเช่นฟังข่าวบางข่าวเนี่ยโอ้ยนั่งไม่ติดเนยอ่ะมันเร่าร้อนไปหมดเหมือนกันเดอเพราะได้ฟังอีกหนึ่งอารมณ์เนี่ยร้องเพลงต่อได้สบายสบายเหมืนพันแล้วเกินอย่างเงี้ยอนุภาพของอารมณ์เนี่ยให้ให้จิตอารมณ์บางอารมณ์ให้ศรัทธาอย่างล้นเหลือเลย อารมณ์บางอารมณ์ให้วิริยะอย่างมากมายอารมณ์บางอารมณ์ให้ปัญญาเกิดอย่างอย่างชนิดที่ว่าพ้นทุกข์ได้เช่นสัทธารลมที่ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยก็ให้สัตว์พ้นจากวัฏทุกข์ได้อารมณ์บางอย่างสัตว์นี่จมอยู่ในวัฏทุกเลยก็มีเหนไเพราะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นๆั้ั้นอารมณมณปัจจัยนั้นมีความสําคัญพระองค์จึงแสดงเป็นอันดับสองในปัจจัยยี่สิบสี่ เพรมองทั้งภายในคือเหตุตัปัจจัยที่เรารับอารมณ์ต่างๆและก็อารมณ์นั้นก่อให้เกิดจิตใดๆบ้างแล้วเมื่ออารมณ์นั้นก่อให้เกิดจิตแล้วทําให้อิริยาบทเป็นไปนะทั้งเกิดการยืนการเดินการนั่งการนอนเพราะว่าอิริยาบทคืออะไรคือจิตตชรูปโรคนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะฝึกด้วยนะว่าหนึ่งอารมณ์นี้นก่อให้เกิดอิริยาบทใดบ้างในชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฝึก เจริญียริยาปะทะบับพพระใช่มเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนั่งนี่รู้ชัดรยังรู้ด้วยปัญญาว่าการนั่งคืออะไรคือจิตชาวายโยธาจิตชนิดไหนอะที่ทำให้นั่งอะเมื่อรูปที่เกิดจากจิตแลวจิตอะไรอะทำให้เกิดการนั่งอันนี้ขึ้นเนีย่ยน ะ, ะเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืน อ้าวยืนก็คือจิตตะชาวายโยท่าที่ทำให้ทรงตัวขึ้นจิตดวงใดอ่ะที่ทำให้เกิดการยืนขึ้นเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเดินเนี่ยก็คืออาการของจิตตะชาวายโยที่สับเปลี่ยนไปก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับการชักหุ่นเนี่ยนะซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยทีนี้เราก็มาสังเกตว่าจิตดวงใดอ่ะที่เป็นปัจจัยมาชักให้เดินได้อ่ ะ, อะแล้วก็เมื่อนอ น, อนก็รู้ชัดว่านอ น, อน เวลานอนเนี่ยจิตดวงใดมันชักให้รูปได้นอนขึ้นเนี่ยจิตตะชาวายโยได้เหยียดยาวเล ย, เยแล้วก็ทรงกายไว้ด้วยอาการใดๆก็รู้ชัดอาการนั้นๆด้วยนะคือจิตตะชาวายโย อ, อยู่ในในตั้งไว้อย่างไรเพราะจิตใดเป็นปัจจัยก็รู้ชัดอาการนั้นด้วยอย่าลืมนะว่าพระบางองค์เนี่ยท่านเห็นคนรำและบรรลุเป็นพระอรหันต์นะอนุภาพของ การหมุนเวียนเปลี่ยนอิริยาบถเพราะท่านสายใจไปที่จิตและจิตตชาวายโยังนั้นการเจริญตรรณะปริญญานี่นะจะต้องมั่นในเรื่องของจิตตชรูปด้วยเหมือนกันเนี่ยนะม่นในเรื่องรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานถ้าหากว่าการพิจารณาเรื่องอิริยาบถเรื่องสมุทฐานแล้วก็จิตที่เป็นปัจจัยอ่อนเรียกว่าอารูปสัตตกะอ่อนเมื่ อ, อรูปสัตตกะอ่อน การเห็นเหตุเห็นตัดใจที่เรียกว่าสมุทย์ยักษสมุทยังฆ่เนี่ยนะสมุทยะเนี่ยกับอัตถังคามะก็รู้ยากเหมือนกันถ้ารู้เรื่องอ ก, กรรมชาโรบจิตชาโรบอุตูชาโรบอาหารชาโรบธรรมดารูปเนี่ยนะถ้าถ้าพวกนี้เรารู้อ่อน ก, ก็ยากเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องได้รับการวิจัยทั้งหมดเลยนะการยืนเดินนั่งนอนการหมุนเวียนเปลี่ยนอิริยาบถ แต่อย่าลืมว่าแต่ละอิรยาบทเนี่ยเกิดจากการรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์นีต้องทําความาเข้าใจนะว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่ตัวจิตนะหมายถึงสิ่งที่จิตรู้สิ่งที่จิตรู้หนึ่งอย่างเนี่ยก่อให้เกิดยืนเดินนั่งนอนเรียกว่ากรรมอะไรเรียกว่ากรรมอะไรจิตที่ทําให้เกิดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเรียกว่าล่วงมาทางกายเนี่ยกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นกรรมอะไร เป็นกายกรรมจิตเอายืนเดินนั่งนอนเป็นกรรมอะไรงไงจิตอันนั้นเมื่อรับอารมณ์ใช่ัหมรับหนึ่งอารมณ์สมมตนะินึกถึงนึกถึงอะไรดีอนึกถึงดอกไม้ก็แล้วกันหนึ่งดอกขึ้นมาอาศัยดอกไม้นั่นแหละโดนใหญ่เลยรีบเดี๋ยวไม่ทันเพื่ อ, อนะันนั้นอันนั้นเนี่ย การเดินอันนั้นเนี่ยเป็นกายกรรมเมื่อมีดอกไม้เป็นอารมณ์แล้วพูดให้คนอื่นฟังอย่างดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยเจ๋มากเลยนะพูดจเลยเป็นวจีกรรมความนึกคิดครุ่นคิดถึงอารมณ์นั้นเป็นมโนกรรมเพราะนั้นมันให้ขณะที่อิริยาบถเป็นไปนั้นเรียกว่ากายกรร ม, มนั่นมเพราะนั้นโหกรรมที่เราทาวันนี้ยืนเดินนั่งนอนท่าไหนบ้างจําได้ แสดงว่าทํากรรมไม่ใช่น้อยๆนะมันนี้ น, น่าจะมีบ้างนั้นสุจริตให้ทานนะปฏิพันธ์บอกว่าตื่นมาให้ทานนะสุจริตนะพพพเพราะได้เพราะได้เพราะฉะนั้นให้ให้หนึ่งอารมณ์ให้ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อกายกรรมเหล่านี้นะถ้าเราไม่สุดจิตต่ออารมณ์นั้นกรรมสามเราก็ไม่ไม่บริบูรณ์ด้วย เพราะฉะนั้นอินทรีสังวรจึงเป็นอาหารของสุดจริ3สาคืออยู่ๆเราคิดถึง1อารมณ์ก่อนใช่ไหมถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าเราถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะด้วยอำนาจของโลภะแล้วเกิดการยืนเดินนั่งนอนเป็นกายทุจริตเปลงวาจาพูดออกมาเป็นวจีทุจริตครุ่นคิดต่อไปเป็นมโนทุจริตแสดงว่าอุปนิสัยแห่งสติปัฏฐานมีไหม ไม่มีแนละ้วอุปสติประธานถูกตัดอุปนิสัยไปแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะในหนึ่งอารมณ์ก่อนไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยนะซึ่งเราก็เคยฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์นั้นจึงจะแปลมาเป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในการทำำํากรรม เพราะฉนต้นเลยก็ต้องหมั่นฝึกว่าหนึ่งอารมณ์เนี่ยก่อให้เกิดทานกุศลได้อย่างไรเห็นไหมเพราะว่าถ้าไม่ปาราบในลักษณะแห่งทานกุศลโลภเกิดได้ทั้งแปดวนะดวงเลยเนหะ็นไหมถ้าไม่ปาราบศีลกุศลโทสะเกิดต่อทันทีเลยไม่ปราบภาวนากุศลโมหะต่อทันทีเลยนั่นก็ต้องอสลับเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนอารมณ์หรือควรเปลี่ยนความคิด อารมณ์ทุกอารมณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานัหนาแหละทํายังไงจึงจะเปลี่ยนความคิดที่เรียกว่ามีโยนิโสในอารมณ์นั้นๆได้เพราะเปลี่ยนอารมณ์นี้ก็ไปได้อารมณ์มณใหม่อีกนั่นแหละถ้าอารมณ์แต่ละอารมณ์เราเข้าใจอ่อนไปเจออารมณ์ใหม่ก็เท่าเดิมอีกนั่นแหละสมมุติว่าอากาศ40องศาเนี่ยอยู่ตรงนี้ร้อนไปอยู่ที่อื่นนะไปตากแดดเท่าเดิมอ่ะนะมันก็ร้อนเท่าเดิมอ่ะท่านจะต้องมันฝึกให้ให้มีความรู้ความเข้าใจว่า เราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ไหมเมื่อได้รับหนึ่งอารมณ์นะถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดได้เราจะรู้ว่าเอออารมณ์นี้ก่อให้เกิดได้กี่กี่กี่จิตกี่ดวงที่เกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นแล้วเราจะฝึกความคิดของเราคิดได้กี่อย่างอย่างนั้นแล้วก็จะฝึกแล้วจะรู้ถึงกายะสุจรรตวจีสุจริตและมโนสุจริตถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีจะเริ่มเห็นความเป็นไปของ ขันท่างต่างเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือขันใช่ไหมเพราเราจะเริ่มฝึกไอ้ทำไมหนึ่งอารมณ์ทําไมจึงให้สุขเวทนาทําไมจึงให้ทุกขเวทนาจึงให้อุเบขาเวทนาแล้วทําไมเวทนาอันนี้กับอเวทนา น, นั้นมันใกล้กันเอ๊ะเวทนาที่เป็นกุศลกับอกุศลทําไมมันไกลกันเราก็จะเริ่มฝึกเรื่องขันแนละเวทนาใกล้เวทนาไกลสัญญาใกล้สัญญาไกลจิตใกล้และจิตไกลแต่สูตรมีอยู่ว่า อกุศลเวทนาจะใกล้กับอกุศลเวทนากุศลเวทนาจะใกล้กับกุศลเวทนาอัพยากตะเวทนาจะใกล้กับอัพยากตะเวทนาเนี่ยนะโสมนัสเวทนาใกล้ต่อโสมนัสเวทนาอกุศลประเภทโสมนัสมันจะใกล้กันอกุศลประเภทโทมนัตก็จะใกล้กันอกุศลประเภทอุเบคาก็จะใกล้กันอีกแล้วก็อกุศลประเภท กุศลประเภทโสมนัสก็จะใกล้กันกุศลประเภทอุเบกหาก็จะใกล้กันเนีย่ยนะก็จะจะเริ่มรู้เรื่องเวทนาใกล้และไกลเมื่อเริ่มรู้อย่างนี้แล้วก็ยังกินจิยากาจิใช่เวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลเวทนาทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเนีย่ยนะ แต่ก็สามารถรู้ความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นอย่างดีแล้วตีระปริญญาว่าเวทนาในอดีตก็หมดไปแล้วในอดีตเวทนาในอนาคตก็จักหมดในอนาคตเวทนาในปัจจุบันก็กาลังหมดในปัจจุบันเวทนาภายในก็พอได้รับหนึ่งอารมณ์ก็เป็นไปเป็นเรื่องของภายในไปก็ไม่เที่ยงเวทนาภายนอกก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็เวทนาหยาบก็ไม่เที่ยงเวทนาละเอียดก็ไม่เที่ยง เวทนาปนีตก็ไม่เที่ยงเวทนาสามก็ไม่เที่ยงเวทนาใกล้ก็ไม่เที่ยงเวทนาไกลก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอัดว่าอะไรนีไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสนญญ า, านในสัมมาสนญญ า, านนหรือตีรณปริญญาหรื อ, อตีรณปริญญา สัมมสัญาณเนี่ยนะเรื่องเรื่องเดียวกันเลยมันก็ต้องมั่นไข้ครวนพวกนี้บ่อยๆฉั้นพื้นฐานการฝึกในเรื่องอารมณ์หนึ่งอารมณ์ให้จิตกี่ดวงอ่อนนะนะเรื่องเวทนาต่างๆเราก็จะอ่อนตามไปด้วยนะในในชั้นของการพิจารณาก็จะอ่อนแต่อย่าลืมว่าชั้นต้นเนี่ยสูตรก็ต้องจําได้ก่อนจําสูตรไม่ได้ก็ต้องนึกเข้าโครงของสูตรให้ได้จําโครงสร้างของคําสอนให้ได้แล้วก็ตรึกไปตามนั้น นะเตะไปเทียบไปเตกไปเทียบไปพิจารณาไปโมีอะไรให้ทำสนุกอีกเยอะแยะเนาะอยู่คนเดียวก็ไม่น่าเหงาอะไรอย่างงี้นะพิจารณาไปเรื่อยฮะไม่มีไม่มีกุศลไม่มีโทมนัทนะมีแต่โสมานักับอุเบกขาแล้วก็<ม>เขา<ม>เปลี่ยนกัน<ม>เปลี่ยนกันไง เคยยกตัวอย่างนะว่าที่เราทากุศลไปด้วยแล้วเครียดด้วยเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเกิดการสลับอารมณ์กันเมื่อเราสมมติว่ากำลังฟังธรรมอยู่นะคิดถึงงานบางงานไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกไงฟังไปด้วยขณะที่ฟังเป็นโสมนัสเป็นมาหากุศลอารมณ์นั้นวับขึ้นมาหรือไปวิตกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นให้โทมนัสสลับมาฟังธรรมอีกเวขา บังทำกุศลแล้ววิตกก็ตรึกถึงอารมณ์นั้นจะสลับเป็นลักษณะนี้นะแล้วเขาพยายามเลี่ยงจากโลภะคือฝืนใจอย่างมันก็เป็นโทมนะท่านไม่ไม่เข้าใจอย่างเ่นท่านเคยยกตัว อ, อย่างว่า อ่านะฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยอเอาไว้ก่อนไปเป็นพยาบาทวิตกแทนะ น, นะก็ต้องเราก็ต้องจำสูต ร, รให้มันตลอดสายด้วยเหมือนกันนะพอหยิบบางอย่างเนี่ยหยิบตัวอย่างที่ไม่ดีมันจะหยิบตัวอย่างที่ดีมาเ ด, ดๆๆๆี๋ยวไปจำนึกว่าสอนให้ไปทำอย่างนั้นแย่เลยเมื่อคืนนี่เลี้ยงโคไปถึงไหนเนะ นะข้อแรกก่อนนะเลี้ยงโคเนี่ยจะต้องคุณนักสมบัติของคนเลี้ยงโคหนึ่งต้องรู้จักรู้จักรู้จักรูปเนี่ยนะว่าโคนี่มียังไงมีสียังไงมีสันฐานยังไงของเราเนี่ยเป็นผู้ศึกษาคำสอนรู้จักอะไรก่อนรู้จักรูปรู้จักรูปว่าเย่ายังไงรู้จักรูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปรู้กี่อย่างรู้โดยการนับและรู้โดย สมุทานเนี่ยนะอันนี้อันดับแรกก่อนแต่ว่าถ้าภิกษุผู้ไม่ฉลาดก็ไม่รู้จักนับคนเลี้ยงโคถ้าไม่รู้จักนับโคไม่รู้จักสีของโคทำให้เสียหายยังไงบ้างให้เสื่อมจากอะไรให้เสื่อมจากปัญจะโครสนมสดนมส้มเนรียงเนยใสแล้วก็เนยข้นภิกษุผู้ไม่ฉลาดในรูปเหล่านี้ก็เสื่อมจาก ทำรรมขันห้าเสื่อมจากกองแห่งสีละขันเรียว่าเสื่อมจากสีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันและวิมุติยาณทัทสนะขันข้อ2ก็คือไม่ไม่ฉลาดในลักษณะคนเลี้ยงโคก็ไม่รู้จักว่าลักษณะโคของเรามีลักษณะอย่างไรรูปร่างสันฐานภิกษุก็ถ้าไม่รู้จักลักษณะไม่รู้ยังไงก็คือไม่รู้จักภาละลักษณะและ บัณฑิตลักษณะไม่รู้จักลักษณะแห่งคนผานและคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเองนะรู้จักคนที่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าเป็นพานรู้คนที่ทําสุจริตสมเนี่ยนะกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตว่าเป็นบัณฑิตนะพาลธรรมาบัณฑิตธรรมมาวันนี้พาลธรรมกับบัณฑิตธรรมอันไหนเกิดมากกว่าเอาเมื่อกี้วิจัยแล้วใช่ไหม เออท่านหนึ่งอารมณ์ใช่ไหมถือโดยสุภานิมิตเกิดกายกรรมที่อ่าพอถือในสุภาณิมิตชวนะเป็นโลภะยืนเดินนั่งนอนเป็นกายะทุจริต ร, รับอารมณ์นั้นมาถือสุภาณิมิตแล้วพูดใหญ่เลยเป็นวจีทุจริตรครุ่นคิดเป็นมนุทุจริตวันนี้เป็นบ่อยไหมรู้จักคนพาเนอะเนะจำหน้าไว้อย่างนั้นใช่ใช่เลย ปัญหาพ่อเขาบอกเลือกคบคนพานเนี่ยปัญหาถ้าเราเป็นพานตัวเองเนี่ยหมายจะไปเลือกคบใครนาะแบบนี้นะจะต้องรู้จักลักษณะของพานและบัณฑิตทีนี้ต่อไปข้อสามก็ต้องไม่รู้จักเคี่ยวไข่ค้างนะไม่เคี่ยวไข่ค้างก็คือไข่มแมลงวันมแมลงวีหรือไข่มแมลงวันหัวเขียวอะ่ะที่ไปตอมใส่แผละะนะไม่เคี่ยวออกวัวก็เสียหายและไม่ได้ปัญจโครต เพิสูพออกุศลวิตตกกามวิตกเกิดก็ไม่เคลียออกพยาบาทวิตกก็ไม่เคลียวิหิงสาวิตตกก็ไม่เคลียออกอากุศลบาปธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่เคลียออกอันนี้เรียกว่าไม่เคลียไขครคร่ค้างนะถ้าคนเลี้ยงวัวไม่เคลียไขครคร่ค้างก็เสียเสียปัญจโครตเพิกสูถ้าไม่เคลียไขครคร่ค้างอันนี้ก็เสื่อมจากธรรมขันห้านะทีนี้ต่อจากเมื่อคือนว่า ภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะคือภิกษุในศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายโพธิภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจถือไว้โดยนิมิตคือความหมายนิมิต นิมิตมีอะไรบ้างนะสุภานิมิตเป็นต้นคือชั้นต้นนิมิตก่อนก็คืออิทธินิมิตกับปุริสนิมิตนิมิตคือหญิงคือชายในหญิงชายนิมิตอันนั้นเนี่ยนะถือโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตหรืออุเบกขานิมิตเห็นไหมอารมณ์ที่เป็นหญิงเนี่ยเป็นสุภาณิมิตก็ได้เป็นปฏิฆานิมิตก็ได้เป็นอุเบกขานิมิตก็ได้ถ้าสุภานิมิตจิตกี่ดวง 8เออชักแม น, นนะนะถ้าปฏิฆานิมิต2 อ, อุเบคานิมิต2อุเบคานิมิตเนี่ยนะสคือเน้นโมหะถ้าหากว่าถือนิมิตแบบนั้นเนี่ยนะสามารถพลิกได้ไมั้ยเปลี่ยนนิมิตได้ไมั้ย คือถ้านิมิตเนี่ยนะคือจิตที่เข้าไปสําคัญหมายนะคือเปลี่ยนให้เป็นฐานนิมิตแห่งฐานได้ไหมก็คือเมื่อใส่ใจอย่างนี้ก็คือเท่ากับเปลี่ยนนิมิตนะอ่านะก็คือโยนิโซนั่นเองก็เหมือนกับที่จริงคนคนนั้นเขาก็ยังเป็นคนคนนั้นอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาหรอกแต่เราเปลี่ยนแปลงจิตของเราเนี่ยถือว่าเปลี่ยนนิมิต เช่นกำลังโทสะอยู่เนี่ยชื่อว่าปฏิคานิมิตใช่ไหมเสร็จแล้วสามารถเปลี่ยนความคิดก็คือเป็นเมตานิมิตได้ไหมเออเขานี่ก็เป็นคนดีนะที่เราเรียนเรื่องพรหมิหารมาเนี่ยวิธีกําจัดความกโกรธมีกี่อย่างก็นึกถึงพระธรรมเหล่านั้นใส่ลงไปในคนวนนั้นแหละก็สามารถที่จะถือเป็นนิมิตอื่นได้นะเป็นนิมิตของเมตตาหรือเป็นนิมิตของกรุณาก็ได้หรือเป็นนิมิต ข, ของอัปมัญญา หรือเป็นนิมิตของการให้ทานก็ได้นิมิตของการตารบกุศลละศีลก็ได้นิมิตแห่งสมถะก็ได้สมถานิมิตเนี่ยนะการสามสิบสองเป็นต้นหรือนิมิตแห่งวิปัสนาขันธะอายตนะก็ได้ก็สิ่งเดียวนั่นแหละเห็นไหมอารมณ์กับจิตนี่ลึกซึ้งนะไม่ฟลิกแฟงได้มากเยอะมา ถ้าเป็นไม่เป็นนี่เครียดเง้นน ะ, น, นะถ้าถ้าเราเรื่องที่จริงน ว, วิชานี่นะนใช้ใช้ใช้ไม่เยอะนะใช้ส4มสี่ประเท่านั้นเองประชฉหนึ่งจิตกี่ดวงก่อนประชฉสอ 2, งเจตสิกอะไรสามารถเกิดในนั้นได้บ้างใช่หมนะโดยเวทนาโดยเหตุเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ประเฉสามอีกนิดหน่อยนะประชด ประชดสองเจตสิกใช่ไหมประชดสาโดยเหตุเวทนาเป็นต้นประชดสี่เข้าใจวิถีบ้างประชดห้าเข้าใจเรื่องกรรมประชดหกเข้าใจเรื่องรูปเนีขันถาดก็ประชดเจ็ดไปแล้วเนี่ยโดยปัจจัยประชดแ8ดสมถาวิปัสนาอ้ก้าวปรเชดเองนะแต่หนังสือเล่มไม่ใหญ่นะอภิธรรมมัตสังกหะจริงๆแล้วเล่มไม่ใหญ่เล่มนิดเดียวเนี่ยนะถ้าสมัยก่อนเข้าท่องได้หมดเลยสมัยก่อนนะก็คือแปลว่าสมัยนี้ท่องไม่ได้อดัมมาก็ท่องไม่ได้แล้วนะ คือมาเยอะนั่นเองที่จริงตัวพิธรรมมัทสังหะที่พระอนุรุท ธ, ธาจารย์รจนาเรียบเรียงจากแ0 0ร้อกว่าคำปีนเนี่ยนะเล่มไม่มากนะเล่มเล่มนี้เดียวเล่มนี่นะที่จะมาถือไว้เนี่ยจะใหญ่กว่าด้วยซ้ไปเนี่ยขนาดนี้เล่มขนาดนี้เองนะไม่ใช่ทั้งเล่ม น, นะส่วนข้างบนเนี่ยย่อมาแต่ที่นี้ของเราเนี่ยไปเรียนอสูตรผสมมาเยอะเลยลืมต้นหลักเดิม ถ้าอย่างประชิดหนึ่งของของอภิธรรมมัสังกหะจริงๆเนี่ยท่านก็พูดจิตมีกี่ดวงแต่ละดวงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรจบและวไม่ได้ขยายอะไรมากมายเลยนะประชิเสองเจตสิกอะไรประกอบในนั้นได้มั่งประชิดสามเหตุเวทนากิจอารมณ์หน่อยๆประชิดสี่ว่าสามารถเป็นวิถีได้เท่าไหร่ประชิดห้ากรรมภูมิเป็นต้นมาสงเคราะห์ลงประชิดหเรื่องรูปประชิเจ็ดเรื่องขันธะอริยธรรมประชิดแปดก็ปฏิจจะ กับปั จ, จัยพระเชษฐก้าวสมถาวิปัสสนาก็ในที่เดียวกันเล่นนี้เดียวถ้าเราจําหลักอันนั้นได้ก็ไปเรียนวิสุทธิมรรคใหม่ปัญญานิเทศก็กเบาเยอะแหละเพราะว่าถ้าไปเรียนในปัญญานิเทศวิสุทธิมรรคเนี่ยจะเอาข้อความคล้ายคลึงกันเนี่ยไปขยายโดยพิสดารขึ้นแต่ว่าหลักโครงสร้างเนี่ยเราก็ควรจํา ใ, ในอภิธรรมมัสังขะแต่ตอนหลังเขามารวมดีกาเข้ารวมอะไรเข้ามันกลายเป็นเยอะแยะไปหมดเลย ที่ยกข้อความตรงนั้นมาบ้างตรงนี้มาบ้างจนลืมลืมหัวข้อหลักเลยว่เอ๊ะมันยังไงกันแน่ลืมหมดเลยกันนี้เลยอูย้ยลึกซึ้งจริงๆเลยกันนี้ยกให้ความลึกซึ้งเลยโทษอ้ลึกซึ้งมากยากยากจริงๆใช่แล้วยากจริงๆกันแหละเพราะคิดอย่างนั้นมันก็เลยยากกันแหละใช่ แล้วก็มันมันฝึกบ่อยๆนะเทศแล้วการเรียนอภิธรรมนะถ้าเราสามารถยกมาคิดได้ในในคือเมื่อปิดคำพีแล้วเราก็ยังคิดต่อไปได้เนี่ยนะต่อไปจะสนุกแล้วกลับไปอ่านใหม่ก็เพลินนะแล้วก็ดูใหม่สลับไปสลับมาอย่างนี้แหละจนคุ้นเคยจนชำนาญเนี่ยนะเพราะขอมาเข้าใจว่าวิธีการเจริญกุศลตามคำสอนก็ถ้าไม่ฝึกในลักษณะนี้เนี่ยยังชอบ กีตาคริสูตรเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้เหมงอนันนั้ น, นคือธรรมวินัยนี้ประสงค์ให้รู้อะไรประสงค์ให้รู้อะไรพุทธเจ้าประสงค์อยากให้เรารู้อะไรพระ อ, องค์แสดงทำให้สัตว์ฟังเนี่ยพระ อ, องค์ประสงค์อะไรจากสัตว์นะ <c oughs> นะบอกว่าพ้นให้ต้องการประสงค์ให้สัตว์เนี่ยพ้นจากกองทุกการพ้นจากกองทุกคือคือทําอย่างไรคือทําให้แจ้งอริยสัตว์แล้วข้อปฏิบัติใดเพื่อรู้แจ้งอริยสัตว์ล่ะเนี่ยนะอ่าก่อนที่จะรู้อริยสัตว์เนี่ยนะก่อนที่จะแทงตลอดสัจจะเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหมก็ไล่ว่าเกิดจากปัญญาเนี่ยนะทำประมาทสัจจะให้แจ้งด้วยนามกกายก็ไล่ลงมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนนับตั้งแต่การ ฟังการเข้าไปหาการนั่งใกล้เนี่ยนะสลับไปแบบนี้เพราะ้นเป้าหมายสูงสุดก็คือการรู้อริยสัจแล้วทั่วไปเลยนะหลายแห่งบอกว่าพราะองค์บัญญัติอริยสัจลงในกายาวานาคือของเรานี่แหละเพราะะฉนั้นที่เป็นอริยสัจสิ่งใดที่เราเกี่ยวข้องสิ่งนั้นต้องพิจารณาหมดท่นนานพระอรหันต์นี้เป็นผู้ที่พิจารณาธรรมะทุกอย่างเลยไม่มีอารมณ์ใดที่พระอรหันต์ไม่ได้พิจารณาในขอบเขตของท่านนะ ถ้าเป็นเป็นสุขาวิปัสสก์ก็ในขอบเขตของพระอรหันต์สุขาวิปัสสกถ้าอรหันต์ประเภทวิชาสามก็พิจารณาในขอบเขตของวิชาสามแต่อย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินไปตามวิสุทธิ7เหมือนกันหมดนะก็พอจะเห็นเข้าโครงลางๆนะครับแล้วก็ก็เห็นว่ายากเต็มทีนะครับแต่ก็กแต่ก็ศรัทธา แล้วก็แล้วก็คิดว่าคงจะต้องต้องปฏิบัติตามแนวเนี้ยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจว่าแนวเนี้ยถูกต้อง <c oughs> แต่ก็ห่วงว่าถ้าเกิดไปเกิดชันหน้าแล้วผมยังมีความคิดยงเดิมอยู่นี้หรือเปล่า <c oughs> ก็เอาอวันนี้อเอาเอาเ<ล>วันนี้ก่อนคือการตรึกแบบนี้นะของมาเชื่อเหลือเกินว่าทำไมในพระสูตรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับเรื่องศีลเน่ะ เพราะถ้าอาหารคือปีติปราโมทย์ศกเป็นต้นเราไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะเราจะมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าใจเราเหือดแห้งเต็มทีแล้วมานั่งคิดเรื่องนี้จะเป็นไปได้ไหมนะเอางี้นะวันไหนที่น้ําตาเราไม่ออกเลยนะวันนั้นคือตาฝืดที่สุดลืมตาไม่ค่อยขึ้นดูอะไรชัดไหมใครเคยบ้างน้ําตาตาไม่ชุ่มเลยนะดูแล้วมันฝืดมากเลยยกตัวอย่างดูหนังทั้งคืนเช้ามาเนี่ยลืมตาแทบไม่ขึ้นอย่างเงี้ย เ, เคยก็ นั่นแหละมันฟืดเนะ่ยจิตของคนที่ไม่มีกุศลธรรมหล่อเลี้ยงเนี่ยนะไม่มีกุศลศีลเป็นต้นหล่อเลี้ยงลักษณะนั้นแหละมานั่งดูอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> การพิจารณาธรรมะเหมือนกันถ้ากุศลศีลเราอ่อนนะเมือนกันเป๊ะเลยมิหน้าว่าพระองค์จึงแสดงขอบเขตของศีลให้พระภิกษุนั้นได้เจริญเยอะๆของเราเนี่ยกรรมบทสิบก็เจริญเยอะๆเถอ ะ, อะไม่ได้น้อยกว่าพระภิกษุท่านเท่าไรหรอกนะเพราะหนึ่งอารมณ์นี้ให้กายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมก็ตรึกมากๆก็ทรัพย์ของเรานั่นแหละแต่เรื่องสีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเยอะก็ก็เยอะอะแต่ถ้าคิดเป็นทรัพย์เมื่อไหร่นะไม่ค่อยเยอะแล้วนะท่านจะต้องรู้จักปิดแผลก่อนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั้นเหมือนกับแผลเพราะว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปิดนะจะก่อให้เกิดทุติิริทั้ง3ประการด้วยกันไม่ปิดตาเนี่ยนะไม่ใช่อะไรปิดนะ ใช้สตินะปิดปิดที่ที่จักขู่ภาษาธาใช่ไหมใช้สติปิดจักขู่ภาษาธาหรือปิดตรงไหนเออถ้าบอกว่าสํารวมด้วยสติเนี่ยนะสติปิดปิดตรงไหนปิดจักขู่ภาษาธาแม่เห็นปิดยังไงบางครั้งก็ต้องปิดที่จักขู่ภาษาธาเหมือนกันนะพะพระวินัยพึงทำศึกษาว่าเราจักเขาพงษ์บอกว่าจักตาทอดลงไปในระแวกบ้านเนี่ยพระวินัยก็บอกให้ปิดตาในระดับหนึ่งเหมือนกัน เสร็จ แ, แล้วก็ปิดชวนะด้วยเขาวางกันอสําคัญที่สุดเนี่ยมีสติปิดชวนะให้เห็นยังไงชวนะเป็นกุศลอ่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่าพี่ที่จะเจริญอินทรีย์สังวรได้เนี่ยคนนั้นมีอะไรเป็นอาหารนะอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรมีอะไรเป็นอาหารสติสัมปชัญญะเป็นอาหารฉะนั้นคนไม่มีสติสัมปชัญญะจริงๆเนี่ยสังวรตาไม่ได้หรอกนั่นแหละ สัมปชัญญะสี่นั่นแหละสําคัญมากต่ออินทรีย์สังวรเ น, นี่ยนะเพราะถ้าสัมปชัญญะสี่เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรควรดูไม่ควรดูก่อนขั้นต้นเป็นการาตัดไฟแต่ต้นลมเรื่องสาถกะสัมปชัญญานี่นะสําคัญมากๆเลยถ้าเราไม่มีนะแล้วเร า, เราปล่อยให้มันเลยลึกเข้าไปหน่อยนะโอ้สังวรลําบากนะมันชักสนุกแล้วครับเวลาเห็นนะ ถ, ถ้าเราไม่เห็นสักครั้งแรกมันก็ตัดไปเลยใช่ไหมครับเจนพามันจะตัดไปเลยเพราะเรามีสาถกษะสัมปชัญญะว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เกิดโทษเจนพาเลือกท่าทีแรกนี่นะเจนพาถ้าไม่เลือกทีแรกนี่โอ้ย่างกันถ้าเราสามารถเลือกตั้งกับต้นนะมีประโยชน์ไหมในสิ่งนั้นก่อนเห<ม>็นไหมนี่เรียกสาถกษะสัมปชัญญะอ้าวประโยชน์มีสปายะไหมล่ะคําว่าสปายะก็คือสบายสบายก็คือเกื้อกูลต่อโคจรสัมปชัญญะไหมเกื้อกูลต่อ สะสมโมหะสัมปชัญญะไหมถึงสิ่งนั้นมีประโยชน์พราะผมว่าไงนะบุคคลพึงสละสุขพอประมาณเพื่อสุขอันภัยบูนท่านประโยชน์บางอย่างซึ่งพอประมาณก็ต้องสละเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อสมถะและวิปัสสนาหรือเพื่อสุขอันภัยบูนเห็นไหมมันก็ต้องเสียบางส่วนเอาบางส่วนพระพิสูจ์จะครองเรือนด้วยบวช ด, ด้วยไม่ได้ในขณะเดียวกนันก็ต้องเสียการมาสุขบางอย่างเสียประโยชน์บางอย่างไปเพื่อที่จะประพฤติประโยชน์ที่เป็น ที่ที่ไพบูรณ์กว่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะในในโลกนี้เราก็เหมือนมาฟังธรรมนะถ้าเรามานั่งฟังธรรมอย่างนี้ประโยชน์ส่วนหนึ่งเราเสียแล้วนะใช่ไหมประโยชน์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะพึงทำเนี่ยนะที่ที่เป็นกิจการทางโลกเราก็เสียแล้วอ่าแต่เราก็สละได้ส่ว น, เ, นเพราะมันได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างอยู่แล้วถ้าเราไปอีกที่หนึ่งแสดงว่าเราไม่ได้ไปอีกหลายที่เพรา ะ, ะ น, นเราก็มาคํานึงว่าประโยชน์ทีนี้แล้วประโยชน์เหล่านะั้นอ่ะมีประโยชน์ แบ่งประโยชน์หลายระดับเข้าใช่ไหมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งฮั้นเวลาเราทําประโยชน์ในโลกนี้ก็เหละประโยชน์โลกหน้าไว้ด้วยขัดกับประโยชน์โลกหน้าไหมเอาประโยชน์โลกหน้าได้แล้วเอ๊ะเกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งไหมก็ต้องคานึงไว้สามชั้นด้วยกันเนี่ยนะเรื่องนี้ผมอยากจะให้ท่านนักศึกษาที่นี่นำลงไปตึกดูนะตึกเรื่องนี้ตึกได้ลึกซึ้งทีเดียวนะเช่นปัญหาว่า พระภิกษุสละเพศคารวะตะะออกมาบวชการออกมาบวชนั้นต้องเสียสละเยอะนะต้องมาดารงชีวิตในเพศของบรรพชิตเนี่ยต้องเสียสละทั้งต้องต้องไม่นอนมากนะักต้อง ท, ทานอาหารตามปาติโมกเนี่ยนะฮะและอาหารเลือกก็ไม่ได้สารพัดที่เราจะต้องสละความสุขอันนั้นเนี่ยนะครับ ถามว่าอันนั้นเนี่ยทํากรรมอะไรไว้หนักหรือจึงจะต้องมาทรมานร่างกายอย่างนั้น <c oughs> นี่นะนี่เป็นคําถามในมิลินดปัญหาไปทำบาปกรรมอะไรมาแล้ว <c oughs> ไปทําบาปกรรมอะไรมาถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเออแล้วจริงจรจริงๆนะถามว่านั่นเป็นวิบากไม่ดีใช่ไหมต้องใช่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าช่มไม่ใ ช, ใช่เราต้องทําไม่ดีไวแต่อย่างนั้นแต่ แต่เพื่ออะไรนแสดงว่าประโยคนข้าเขามาเกี่ยวข้องแล้วคือพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะทำไมพระองค์ต้องเหมือนกับว่าบัญญตัติโอ้ยมากมายมหาศาลที่จริงวินัยข้อบัญญัติที่พระองค์คอยห้ามคอยตักเตือนเนี่ยนะก็เหมือนกับนึกถึงสูตรหนึ่งที่พระองค์อุ ป, ปมาการเลี้ยงเด็กเนี่ยนะเห็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเผลอไปอมวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเข้าเข้าไปในปากอ่ะ มันจะกลืนลงคอแล้วนั่นน่ะเสียหายมากแล้วเพราะฉะนั้นให้เด็กมันขายถ้าเด็กไม่ขายอ่ะเอามือข้างหนึ่งอุ้มไว้มืออีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในปากเลือดอาปากนั่นแหละแล้วดึงวัตถุอันนั้นออกมาเมื่อเด็กเหล่านั้นเจริญเติบโตรู้เดียงสาพ่อแม่พี่เลี้ยงเป็นต้วยนั่นนะก็วางใจได้ว่าเด็กเนี่ยไปดีแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันในสัตว์มั้ยพระองค์เนี่ยสายตาของพระองค์เนี่ยของเราเนี่ยอนุบาล น, นั่นแหะ พราะพระองค์ก็จะคอยห้ามปรามนะเวลาเรากลืนอะไรเข้าไปหนักๆ ก, ก็จะห้าวก็ล้วงเลือดอาบปากนั่นแหละเ <c oughs> พราะนเวลาที่เรากําลังได้รับอกุศลวิบากบางอย่างก็ลักษณะเดียวกันอกุศลบางอย่างอกุศลวิบากบางอย่า ง, ากากา ง, างเกื้อกูลต่ออรหัตผลเนะ ย, ยกตัวอย่างอะไรถ้าพระภิกษุเนี่ยเห็นอสุภาษก็เห็นนางฟ้าเนี่ยอันไหนเกื้อกูลต่อ น, นี้พานมากกว่ากัน <c oughs> ใช่ไอสุภาษณ์เนี่ยของไม่งามใช่ไหมอากุศลวิบาก แต่เกื้อกูลต่อพระนิพพานเห็นนางฟ้าเกื้อกูลต่อปาราชิกนะมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละบางอย่างมันดีดีส่วนหนึ่งแต่ก็เสียอีกส่วนหนึ่งใช่ถ้าหากว่ากำลังวิบากที่ดีเนี่ยนะถ้าเห็นแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะถ้าปฏิสนธิขณะนั้นจะเป็นยังไงคือจุติก่อนใช่ไหมจึงปฏิสนธิอันนี้รับไปเลยถ้าปฏิสนธิขณะนั้นเป็นยังไงพระองค์บอกมีคติสอง มีคติสองสำหรับผู้ที่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะคือนรกกับเดราชานในอาทิตตปริยัตยสูตรพระอว์ตรัดไว้อย่างนั้นเพรา ะ, ะั้นเอามีดกันมีดตัดเล็บเป็นต้นเนี่ยคว้าตาถ้า อ, ออกยัง ก, กับประเสริฐกว่ามากันที่บุคคลถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเพราะถ้าจุติขณะนั้นก็แผ่นดินเนี่ยใหญ่กว่าแผ่นดินเนี่ยใหญ่กว่าฝุ่นในในพันนคารเนี่ยนะในเล็บของพระผู้มีพระภาคจริงๆ ทันของเราเนี่กําลังเทียบดูนะเอ๊ะเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินเนาะให้คะแนนได้ยังตอนนี้เป็นอาจารย์เองเลยสอบกาผ่านฝุ่นแน่นอนเลยนะไม่ใช่แผ่นดินเนาะไม่ใช่แผ่นดินแล้วก็แย่และบางส่วนเขาบอกเขาโคกับขนโคเนี่ยเราเป็นเขาหรือเป็นขนอย่างนั้นเร็วๆ เ, เนี่ยจะเอ็นติดมติดก็เนี่ย <c oughs> พวกผมเนี่ยผมผู้การเนี่ยนะ คุณแม่ขอข้างหลังนี่ท่านหนึ่งเนี่ยจะเอ็นติดไม่ติดก็เนี่ยแล้วแล้วเนี่ยมันเตรียมตัวเป็นการใหญ่เนี่ยมีโยมบางท่านเขาว่านะพอถามอย่างนี้เข้าเขาตอบไงหรือว่าก็นี่อย่งไรกำลังมาศึกษาแล้วไงเนี่ยเขาบอกงั้นเรานี่เงียบเลยก็คือที่ถ้าบอกว่าเขากําลังมาศึกษาจะไหมก็แสดงว่าคนที่บอกนั่นแหละรับผิดชอบเขาอ่ะอย่างนี้แย่แล้วเรานี่ต้องเงียบเลยนะ มันก็ตนนั่นแหลเป็นที่พึ่งของตนอย่างนั้นอ๋อ น, น, น, น, นอะนะทะวารอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าเราไปถือโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตทางตาก่อให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมันอินทรีย์สังวรเนี่ยกอ่กอให้เกิดสุดจริษสาถ้าไม่อินทรีย์สังวรในอารมณ์นั้นก่อให้เกิดทุจริษสานะก็6อารมณ์คูณได้เท่าไหรล่ละ ถ้าอารมณ์6เนี่ยจะได้สุจริญเท่าไรสิบแปดถ้าทำดีอ่ะในหกอารมณ์ได้สุจริตเท่าไหรสิบปดโอ้ตรงกันข้ามนี่ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นอินทรีสังวรเนี่ยเกื้อกูลต่อสุจริตสาสุจริญสามเกื้อกูลต่อสติปัฏฐานสี่หพูดถึงว่าสุจริตสามนี่นะครับผมดูๆแล้วในในในในแง่ปฏิบัตินี่นะ รู้สึกว่ามโนสุจริตหรือมโนทุจริตจะมาก่อนใช่พอนใช่แต่ว่าเราจะกล่าวบอกว่ากายะทุจริตวจีทุจริตแล้วจริงมโนทุจริตใช่ไหมอันที่จริงนะมโนทุนจริตหรือมโนสุจริตต้องมาก่อนมาก่อนคือที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฉลาดในเทศนะพระองค์จะพูดถึงสิ่งที่หยาบที่สุดลงไปเหมือนกับทําไมแสดงขันห้าก่อนรูปประขันหยาบมากอะ่ะเอารูปกัน เวทนาขันเนี่ยอาศัยรูปนั้นก่อให้เกิดสุ ข, mm. สขเกิดทุกข์ก่อแสดงต่อแล้วก็มาสัญญามาสังขารแล้วว่าเออสัญรูปเวทนาสัญญาสังขารอาศัยจิตเกิดนะก็สรุปมาเป็นจิตอย่างเงี้ยในส่วนสีก็เหมือนกันเนี่ยคนเนี่ยติดเรื่องใจนะเขานึกไม่ออกอเพราะเขากําลังสนใจเรื่องสีอยู่ก็สีนั้นมีเสียงด้วยนะ อ, อต่อเสียงอชัดนะเห็นแลออ้มีเสียงมีกลิ่นด้วยนะที่พุการเล่าเออมีสีก็ต้อง นึกถึงเสียงไงเมื่อนึกเสียงอ่ะแกลิ่นได้ลิ่น้าไปด้วยนึกถึงรถต่อไปออกโพธะธรรมอารมณ์เลยคันนี้มันก็ละเอียดไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นง่ายเนยพราะองค์แสดงตามลำดับเทศนาลำดับความเห็นง่ายเห็นยากไม่ใช่แสดงตามลำดับความจิงการของการเกิดขึ้นของธรรมะนั้นๆแต่แสดงถึงความเป็นไปดงนั้นในทางใจก็มีความสาคัญมาก วันๆนหนึ่งเนี่ยนะคิดมากเหลือเกินเห็นไหะคิดอะไรคิดโดยเอาเอา น, นี่ยคิดแล้วได้นิมิตอะไรบ้างนะคิดหนึ่งอย่างอยู่ๆก็อ น, นอนอะคิดไปแล้วไปเรื่อยได้สุภาพนิมิตคืนหนึ่งอารมณ์ในในขณะที่เรานอนคิดอยู่เนะ่เขาบอกว่ากลางคืนเป็นควันเขาอกงั้นกลางวันเป็นไฟคือนอนคิดแล้วโห้ยกลางวันนี่ก็ไปทำอย่างนี้เมื่อคืนนั่นแหละ เพราะตอนที่เราคิดตอนกลางคืนมีอิทธิพลต่อวันทั้งวันหรือปีทั้งปีเพราะความคิดอันนั้นแหละนอนอยู่อย่างนี้มันว่าสมมุตินะเขามาเนี่ยนอนอยู่เอไปเชียงใหม่ดีกว่า ไ, ไอความคิดอันนั้นเนี่ยอยู่เชียงใหม่มาปีกว่าแล้วไอ <c oughs> ความคิดนั้นแท้ๆเลยนั่นแหละเราน่าจะไปเชียงใหม่พักแล้วหน่อยดีกว่าไอความคิดวัดนั้นแหะอยู่เชียงใหม่มาปีกว่าแล้วนะอย่าไปดูถูกนะหนึ่งความคิดนั่นน่ะนั่นนะ ผู้ ก, การคิดวว บ, บเดียวเรื่อง oh, oh, คอมเนเี่ยนะโอ้ชวนคนน้อแต่ทั้งเยอะเลยนะหนึ่งความคิดเนี่ยอย่าดูถูกนะแล้วเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะทั้งดีและชั่วทั้งบนและบาปเพราะฉะนั้นขณะที่เรานอนคิดแต่และความคิดแต่และความคิ ด, คคดถ้าใครดูถูกความคิดในขณะนั้นๆเนี่ยนะแปลว่าเป็นคนดูถูกตัวเองที่ตั ว, ตวละหรือเป็นคนที่ตั้งจิตไว้ไว้ผิดนะหลันถ้าหากว่าเราไม่พยายาม ฝึกความคิดอันนั้นเนี่ยนะหรือไม่อบรมความคิดอันนั้นไม่ตั้งจิตอันนั้นไว้โดยชอบเนี่ยนะมีโทษยิ่งกว่าศัตรูอีกถ้าตั้งจิตไว้ถูกตั้งจิตไว้โดยชอบทำ ม, มีคุณยิ่งกว่าแม่เนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยนะถ้าตั้งไว้ด้วยนิยตามิจฉาทิฐิเนี่ยนะตกนรกถาวรนึ <laughs> ่ ของเราเนี่ยนะสร้างวัตถุถาวรใช่ไหมตึกหลังหนึ่งเราสร้างได้สามสิบปีสี่สิบปีเราก็บอกว่าวัตถุถาวรใช่ไหมแต่โลกานาโรกมันถาวรกว่านั้นหลายพันล้านเท่าอะ <g ül> ก็เลยเรียกวัตถุถาวรไปเลยเกิดเป็นโลสัตว์ในโลกานาโรกอย่างถาวร น, นะก <g ül> ็ตึกหลังหนึ่งเราก็เรียกสร้างวัตถุถาวร น, นะ <g ül> วัดนี้มีกุฏิวัตถุถาวรสี่หลังห้าหลังเนี่ยก็ที่จริงก็ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็รื้อละ พอหลงปู่มรณภาพลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆ ม, มาก็เปลี่ยนหลังกุฏิใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนั่นแหละอันในที่เราส่วนใหญ่เนี่ยนะเช่นคนอายุมากหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยไอ้ช่วงนั้นแหละความคิดเหล่านั้นเนี่ยพรั่งพรูมาแล้วเหตุการณ์ในบางอย่างก็จะประดังประเดเข้ามามีลูกก็ลูกมาแล้วมีหลานหลานก็นมาเยี่ยมหรือไปเยี่ยมหลานเขาด้วยนะทั้งสองอย่างนั่นแหละ คิดไปเรื่อยแล้วในแต่ละความคิดแต่ละความคิดเหล่านั้นเนี่ยถ้านิมิตอนุพยัญชนะเกิดในขณะนั้นแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าจุติจิตเราจะเกิดเมื่อไร่นเพราะนั้นแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์นะเป็นนิมิตสามของพบใหม่ต่อไปได้ทันทีเล ย, ยนเพราะนั้นไอ้ความผูกพันหรือว่าโลกเนี่ยพระองค์จึงอุปมาเหมือนอะไรรู้ไมพระองค์บอกว่าผู้ที่ติดพันในอารมณ์ในโลกเนี่ย หรือโลกนี้ก็คือเรียกว่ากามผู้ที่ติดใจในกามกามทั้งหลายเหมือนอะไรเหมือนคบเพลิงหรือเหมือนหลุมฐานเพลิงอ่ะถ้าเรายิ่งถือไว่มากๆเนี่ยนะจมแน่เนี่ยนะเพราะอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยก่อให้กระจมในสังสารทุกข์ได้อีกยาวนะทุกๆอารมณ์เฉั้นถ้าเราพิจารณาทุกอารมณ์โดยคําสอนได้ให้วัตทุกข์ก็จะจะสั้นเข้าไปตามนั้นแหะตามคุณภาพของสัมมาทิฏฐิพิจารณา ตามคุณภาพของสัมมาสังกัปปะเป็นต้นถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิถึงระดับโลกุตระแล้วก็สา ม, มารถพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นได้อยู่ตรงนี้ไม่มีวัตตะนะ ม, ม, มีไหมมีไหมมีดิครับมีวัตตนะไม่มีผมก็ออกไปแล้วเบือนายในวัตตะหรือ ย, ยังใช่อะขนาดนี้นะขนานี้เนี่ยกว่วัตตะใช่ไหมเออแล้วเบื่อนานในวัตตะบ้างหรือยังใช่ขนาด นะนะไม่ถ้าเบื่อเบื่อหน่ายในขนาดนี้ก็แสดงว่าไก่ก่ความจริงก็แล้วจะไปเบื่อวันข้างหน้ามั้งั้นวันนี้ยังพ่นันง่ายแล้วนนะอาทินี้นะต่อไปว่าถ้าหากว่าไม่รู้จักปิดแผลคือนำอากุโซลธรรมคืออภิชาและโทมนัสเป็นต้นเนี่ยนะ อ, ออกไปที่กล่าวว่า ถ้าถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะทำทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลมีอพิชาและโทมนัสเป็นต้นเขาย่อมไม่อาจไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สํารวมอินทรีย์มีอินทรีย์ที่ไม่สํารวมแล้วใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อจะสํารวมอินทรีย์นั้นไม่รักษาอินทรีย์นั้นไม่ถึงความสํารวมในอินทรีย์นั้นภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลอย่างนี้เนี่ยนะ ไม่ปิดแผลคือตาแผลคือหูท่านใช้คำว่าแผลเนี่ยก็น่าคิดน ะ, ะแผลเนี่เป็นที่ไหลออกของอะไรบ้างหนองอนะถ้าฟีเนี่ยนะเป็นแผลใช่ไหมไหลออกแห่งเลือดแห่งน้องเป็นต้นเนี่ยนะถ้าตาของเราเป็นเหมือนแผลเนี่ยไหลอะไรโลภาก็ไหลออกมาโทสะก็ไหลออกมาอาศัยแผลนั่นแหละแผลคือหูก็เหมือนกัน น, นะ โทสะโมโลภาคกไลมาตามแผลนะั้นนะเพราะนแผลทั้งหกเนี่ยนะอภิชาและโทมนัสก็ไล่ไปเรื่อยท่านอาธิบายว่าบทว่าณวนังปฏิชาเดตาโหติความว่าเมื่อถือนิมิตในอารมณ์ทุกอย่างโดยในเป็นต้นว่าเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วถือโดยนิมิต ด, ดังนี้ ย่อมไม่ยังความสำรวมให้ถึงพร้อมเหมือนนายโคบานนั้นไม่ปิดแผลฉะนั้นพิสูจน์นั้นเมื่อไม่ปิดทวารเที่ยวไปย่อมไม่สามารถเพื่อถือกรรมฐานไปเจริญได้คือจิตของเราเนี่ยจะรู้อารมณ์ได้แต่ละอย่างใช่ไม้มถ้าถืออารมณ์กรรมฐานแสดงว่าขณะนั้นไม่ได้ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะถ้าถือโดยอนุนิมิตอนุพยัญชนะก็ไม่ได้ถือกรรมฐานเพราะจิตเนี่ยเกิดทีละ ทีละดวงทีละวิถีไม่เด็กเกิดพร้อมกันหลายๆวิถีน ะ, ะถ้าบอกว่าจิตเหมือนมือเขายัางชั่วหน่อยใช่ไหมมือซ้ายหิ้วอย่างหนึ่งมือขวาหิ้วอย่างหนึ่งแต่จิตไม่ใช่อย่างนั้นจิตจะรับรู้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าคิดเรื่องหนึ่งแสดงว่าเราลืมเรื่องอย่างอื่นทั้งหมดเลยในขณะนั้นนะเราจะคิดได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคิดถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะก็เท่ากับทิ้งกรรมฐานถ้าถือกรรมฐานก็ทิ้งโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ ถ้าหากว่าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะห่างจากธรรมขันห้าคือข้อความว่าเพ่งในนิมิตอนุพยัญชนะนี่นะฮะแล้วก็ถ้าไม่เพ่งก็หมายความว่ามีโยนิสมนัสิการใช่ไหมครับเจนตอนเรามานึกดูนะครับถ้าฝ่ายอคุศลเนี่ย่ามันเพ่งละเอียดนะครับ เอาจิงๆนะครับเจนฮอนชัยมันเพ่งนะเย็นจริงครับโดยเฉพาะตอนหนุ่มๆสาวๆนี่นะอ๋เพ่งเพ่งหนาดูเลยนะครับไม่ต้องล็อกนี่เมื่อเช้าเนี่ยไปตลาดเนี่ยนะผักอันหนึ่งเนยพลิกไม่รู้กี่รอบกว่าจะซื้อได้อันหนึ่งไงเป็นไงครับกับข้าวแต่ละอย่างไงไปจ่ายตลาดเนี่ยโอ้พลิกแล้วพลิกอีกอย่นึงเออย่างเรียกว่าให้ได้สุภาพนิมิตมาให้ให้อย่างดีเลยนะเจนทอนนั่นแหละกับข้าวปรุงทีหนึ่งพลิกไม่รู้กี่ครั้งนะกว่าจะเอาลงได้เนี่ยพ้าสักทีหนึ่งอ๋อพลิกไม่รู้กี่อย่าง เนี่ยนะอาบน้ํากับพริกไม่รู้กี่พริกมากกว่าจะได้เนี่ยนะเดิมนาศโลภะเนี่ยโอ้ในทางโลกนี้เขาถือว่าโอ้หน่ะแหมเขาเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่มีศิละปะนะครับ <c oughs> ฟังเพลงนี่จะต้องโอ้โหถ้าคนฟังเพลงเป็นนะเขาจะต้องเข้าถึงเพลงครับ เ, เพลงมันมีรายละเอียดมันมีลึกซึ้งมันมีความนุ่มนวลยังไงโอ้ลึกซึ้งคนแต่งอยากให้เรารู้อะไรเรารู้ตามได้หมดนะั่นแหละเรียก ว, ว, ว่าลึกซึ้ง หรือถ้าจะเห็นภาพใครสักคนนี่นะโอ้โหต้องเพ่งในนิมิตอนุพยัญชนะมากครับจินตนาการไม่หมดเลยเอย่งยิ่งเพ่งมากมายยิ่งยิ่งโลภะแรงอโอ้แปลกจริงๆนะว่าทําไมจึงใช้คํานี้นะผมยังแปลกนะแต่พอมาเป็นฝ่ายกุศลบ้างนะครับกลับไม่ใช้คํานี้ครับคือว่าไม่เพ่งในนิมิตอนุนไม่ไม่ใช้คนะําว่านิมิตแต่ใช้คําว่ากรรมฐานะนะคือเน้นไปที่สมถะแหละ วิปัสสนาคือถ้าวิสมถะเนี่ยนะเกิดขึ้นอย่างเช่นในอารมณ์นั้นเนี่ยคือถ้าเราติดใจในสีเนี่ยนะถ้าเป็นปัญญาเกิดขึ้นก็จะพิจารณาสีทั้งที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าสีเนี่ยเป็นสีที่อาศัยรูปอะไรเกิดใช่ไหมคือสีเป็นธรรมชาติที่อาศัยมาภูตรูปเกิดถ้าได้ มหาพูตรูปเลยนะมหาพูตรูปเป็นปัจจัยให้แก่ภาษาธารูปเนี<ม>่ยเป็นปัจจัยให้แก่โอชา<ม>เป็นปัจจัยให้แก่ชีวิตรูปเป็นต้น<ม>ก็จะได้ละเมื่อได้อนันนันแล้วก็<ม>ยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปจจุปันนังแล้วนะนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเนี่ยก็จะไดเอามาวิจัยละทั้งหมดนั้นปัญญาก็วินิจฉัยละเอียดเหมือนกัน<ม>นะคเพราะนั้นปัญญานี่ละเอียดกว่าโลภะ แต่ทีนี้ปัญญาไม่เกิดเลยโลภะเลยละเอียดลึกซึ้งมากเลยท่านเชื่อไหมครับว่าทางจมูกนี่นะฮะมีผู้ที่ทําหน้าที่ดมกลิ่นอย่างเดียวแล้วเงินเดือนแพงมากเลยเพื่อที่จะดมกลิ่นน้าหอมเนี่ยนะในประเทศฝรั่งเศสมีหน้าที่ดมอย่างเดียวคนนี้เขาจะมีจมูกที่ดีมากแล้วเขาก็จะเพ่งในนิมิตอนุพยัญชนะในเรื่องกลิ่น อย่างเยี่ยมเลยแต่ชาเรื่องกลิ่นเลยนะแต่ช้าเรื่องกลิ่นนะครับแล้วเราก็น้ําหอมเขาจะได้มาตรฐานคงเส้นคงวา<ช>ถ้าอย่างเรานี่นะยังเพ่งสู่เขาไม่ได้อบางคนก็เพ่งเรื่องชิมไงชิมอย่างเดียวะนะใช่ครับอย่างเบียร์เนี่ยนะ <c oughs> เบียร์เนี่ยเขาต้องมีนักชิมหรือว่าไวน์เนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีนักชิมเรียกว่าเป็นคอเลยเป็นอาทีปเลยนะครับ <c oughs> เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่เข้าถึงในนิมิต อนุพยันยชนะมากกว่าคนธรรมดาลึกซึ้งที่สุดนะลึกซึ้งครับเมื่อต้องพูดถึงโลภะจะตามมาป่วยกล่าวไปยายก็ขนาดนั้นก็โลภะอยู่แล้วนะไม่น่าละทาไมแผ่นดินจึงเยอะกว่าฝุ่นถ้าไม่สํารวมนะถ้าไม่สํารวมอินทรีย์ทั้งหกแล้วก็ผลตามมาก็คือทุจริตสามทุจริสามเนี่ยแหละโอ้ น่ากลัวไหมทุจริตเนี่ต่อไปนะว่าข้อ5้านะพิสุเป็นผู้ไม่สมควนเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ไม่รู้จักสมควนเลยคือพิสุในศาสนานี้ไม่แสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังได้เรียนแก่ผู้อื่นโดยพิสดารพิกษุเป็นผู้ไม่สมควนอย่างนี้คนไม่สมควนคือคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะสมมติว่ายุงมันชุมเยอะเนี่ยก็ต้องไปหาพวกกาบมะพร้าวเป็นต้นเนี่ยมาจุด นะสมเพื่อให้ควันมันเยอะเพื่อยุงก็ได้หนีไปไม่มากินเลือดกินเนื้อวัวพิสุก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักแสดงธรรมเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่สมควันท่านอะธิบายว่าณทนะูมังกตตาโหติความว่าภิกษุไม่สมควันคือธรรมเทศนาเหมือนนายโคบานนั้นไม่สมควันฉะนั้นคือไม่ทําธรรมกถาคือไม่แสดงธรรมว่างั้นเถอะไม่พูดธรรมะหรือสารพันยะ หรืออุ ป, อ ป, ปนิสินนักถาก็คือการกล่าวคําแนะนำในเมื่อห ม, มากมาประชุมกันเนี่ยนะกล่าวธรรมะทักทายปราสัยเป็นต้นเนี่ยนะหรืออนุโมทนาแต่นั้นพวกมนุษย์ไม่รู้จักคุณนั้นว่าภิกษุเป็นพหูสุดมีคุณดังนี้คือเรียนมาแต่ไม่แสดงให้ใครฟังเลยนะใครจะไปรู้ว่าแตกฉานฉลาดมาขนาดไหนใช่ไนั้นคนก็เลยไม่อุปถากไม่บารุงเลย มนุษย์เหล่านั้นเมื่อไม่รู้จักคุณและโทษย่อมไม่กระทําการสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4เธอเมื่อลำบากด้วยปัจจัยก็ไม่สามารถจะทำการสาธยายพระพุทธพจน์บําเพ็ญวัดปฏิบัติหรือกรรมฐานเจริญไปได้เห็นไหมก็พิสูุรูปนั้นก็จะเสื่อมกลายจากธรรมขันห้าเพราะถ้าไม่แสดงทําให้คนฟังแล้วคนก็ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปใช่ไหมโยมก็เลยไม่ทําบุญเลยโยมไม่ทําบุญตัวเองนั่นแหละอยู่ไม่ได้ก่อน เพราะแค่คว่าไม่รู้จักสมขวัญก็คือไม่ไม่แสดงธรรมนั้นตอนนี้ควันไม่ค่อยมีก็เลยยังไงยุงมันก็ชมุมอากุศลมันก็เยอะอะนะไม่สมขวัญก็คือไม่แสดงธรรมนั่นเองก็เหมือนกับสมมุติว่าเราเนี่ยศึกษาพระธรรมแล้วเราไม่รู้จักแนะนําคนรอบข้างไม่สามารถหาอุบายวิธีแนะนําคนรอบข้างได้นะคนรอบข้างก็เหมือนกับ เหลือบยุงนั่นแหละเขาก็คอยกัดคอยแตะเขาเรียกว่าคอยกัดคอยตอมเราเรื่อยนั่นแหละต่อเมื่อไหร่เขาเราสมควรให้เขามากๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มียุงมากวนแล้วคนข้างๆเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่สามารถให้เขาเข้าใจพระธรรมได้เขาเหล่านั้นแหละเป็นเป็นผู้ที่ทําให้เรานี่ไม่สามารถจะเจริญกุศลธรรมต่อไปได้นะ ต่อไปนะข้อ6กก็คือพิกษุไม่รู้จักท่าเป็นอย่างไรพิกษจในศาสนานี้ไม่ไปหาแล้วไต่ถามไล่เลียงพิกษุทั้งหลายผู้มีพุทธวจนะฟังแล้วมากก็คือไม่รู้จักเข้าไปหาพระที่เป็นปะหุสูตรศึกษาเรียนมากอะ่ะเป็นผู้รู้หลักทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาว่าพาสิทธินี้เป็นอย่างไรโดยระยะการ คือไม่รู้จักเข้าไปหาคนที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานโดยการเวลามัน <c oughs> เธอผู้มีอายุทั้งหลายคือคนที่มีความสามารถเหล่านั้นเนี่ยนะจึงไม่เปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับไม่ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื้นและไม่บรรเทาความสงสัยในเหล่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยซึ่งยังมีเป็นอันมากแก่เธอ คือผู้ที่เป็นปะุูสูตรศึกษาร่ำเรียนมามากจริงๆเนี่ยนะมะีส่วนที่มีความลึกซึ้งพิสดารในนั้นก็มากทีนี้เมื่อเราไม่เข้าไปแต่ถามท่านเป็นต้นท่านก็ไม่เล่าให้เราฟังเมื่อท่านไม่เล่าให้เราฟังเราก็เสื่อมละเพรา ะ, ะนักพิกษุลักษณะนี้ไม่ถือว่าไม่รู้จักท่าเัมนนเนี่ยไม่รู้จักท่านี้ก็คือเหมือนกับไปที่ไปตักน้าเนี่ยนะท่าน ถ้าวัวคนเลี้ยงวัวไม่รู้จักท่าคือไม่รู้จักที่ให้วัว ก, กินน้ําเป็นต้นวัว ก, ก็เสื่อมประโยชน์ใช่ไหมวัวไม่ได้กินน้ําเนี่ยจะเสียหายยังไงอพิสูจน์ที่ไม่รู้จักท่าคือไม่รู้จักผู้ที่มีความรู้ความสามารถผู้ทรงพระพุทธวจนะเป็นอันมากเป็นต้นเนี่ยนะไม่ไปสอบถามไล่เลียงสอบสวนท่านก็ไม่เปิดเผยให้เราฟังเมื่อไม่เปิดเผยให้เราฟังเราก็เสื่อมจากประโยชน์แล้ว ท่านอธิบายว่าข้อบทวานนะ่าณติดถังชานาติติดฐ่หรือเดรทีเนี่ยเป็นแปลว่าท่านะหรือติดฐ่านี่แปลว่าท่าพิสุย่อมไม่เข้าไปหาพิสุผู้เป็นพหูสูตรผู้เป็นดุจท่าเมื่อเข้าไปหาไม่ไต่ถามถือเอาสอบถามให้รู้อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพยัญชนะนี้เพึงปลูกฝังอย่างไรก็คื อ, คอ พยานชนะเนี่ยมีอัถะลึกซึ้งขนาดไหนเหมือนั้นเนื้อความแห่งพาสิตนี้เป็นอย่างไรบาลีในที่แห่งบาลีนี้ท่านกล่าวไว้อย่างไรเนื้อความในที่นี้แสดงไว้อย่างไรภิกษุผู้เป็นปะหูสูตรเหล่านั้นอันเธอไม่ตายถามแล้วอย่างนี้ย่อมไม่เปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับไม่จำแนกออกแสดงไม่ทำข้อความที่ลึกให้ตื้น ไม่ทําข้อความที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏแกเธอเพราะฉะนั้นความรู้บางอย่างเนี่ยนะถ้าไม่ถามเขาก็ไม่บอกนะคือไม่รู้ว่าคนเขาจะรับได้หรือเปล่าใช่ไหมคือเรื่องบางอย่างนั้นต้องอาศัยถามจึงจะเขาจึงจะแสดงออกมาเพราะว่าถ้าแสดงออกมาเรื่องลึกๆยา ก, ยากๆเนี่ยแถวคนฟังก็ก็รับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าผู้นั้นมีความประสงค์จะรู้เขาก็เปิดเผยให้รู้โดย ละเอียดโดยพิสดารโดยลึกซึ้งได้แล้วก็บทว่าอะเ น, นกะวิหิตเตสุจะกังจังกังฆาตถานีเยสุธรรมเมสุได้แก่ย่อมไม่บันเทาแม้ความสงสัยอย่างหนึ่งในความสงสัยหลายลอย่างคือตัวเนี่ยสงสัยอะไรตั้งเยอะแยะก็ไม่ไม่พยายามบันเทาความสงสัยอ น, นั้นเนี่ยนะเก็บความสงสัยซุมไว้ในใจเรื่อยๆเหมือนกัน มีอธิบายว่าก็ความสงสัยชื่อว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยย่อมไม่นําแม้ความสงสัยอย่างหนึ่งในธรรมะนั้นออกไปได้เธอไม่เข้าไปหาท่าคือภิกษุผู้เป็นปหูสูตรอย่างนี้จึงเต็มไปด้วยความสงสัยไม่สามารถเพื่อจะถือเอากรรมาฐานไปเจริญได้เหมือนอย่างว่านายโคบาลย่อมไม่รู้จักท่าฉัน้นใดภิกษุนี้ก็ไม่รู้จักท่าคือธรรมะชันนั้นเหมือนกัน เมื่อไม่รู้ได้แต่ถามปัญหาในมิใช่วิสัยคือบางทีเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามปัญหาที่ที่ไม่ใช่วิสัยคือความสามารถอย่างนั้นเถอะเข้าไปหาพระนักอภิธรรมไต่ถามสิ่งที่ควรและไม่ควรคือเข้าไปถามไปถามเอ๊ะอันนี้ควรหรือไม่ควร่นะไปถามวินัยกับพระอภิธรรมอ่างนั้นเถอะเข้าไปหาพระวินัยทอนแล้วถามการกาหนดนาม และอารูปถามเรื่องนามรูปเอรูปนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนามเป็นอกุศลหรืออกุศลอย่างเงี้ยท่านเหล่านั้นถูกเธอถามในธรรมะที่ไม่ใช่วิสัยคือไม่ใช่อารมณ์หรือความสามารถของท่านนะนะย่อมไม่สามารถเพื่อจะตอบได้เธอจึงเต็มไปด้วยความสงสัยด้วยตนเองจึงไม่สามารถเพื่อจะถือเอากรรมฐานไปเจริญได้ทั้นการถามปัญหาตรงนี้ท่านก็บอกหลักของการถามเราควรถาม ปัญหาที่ผู้นั้นเขามีความรู้ในเรื่องนั้นดีเนี่ยนะเช่นถ้าจะถามพระวินยัยก็ต้องไปถามพระที่แตกฉานเรื่องวินยัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยเป็นอย่างดีไปถามวินัยกับพระไม่มีวินัยยังกับยุงกันนะหรือไปถามวินัยกับพระที่ตูดลึกซึ้งในเรื่องอภิธรรมมากๆคนละ ง, งานเลยอะแล้วก็ไปถามอภิธรรมกับพระที่แตกฉานเรื่องวินยัยอาบัติอนาบัติอนุบัญญัติอย่างเงี้ย สิขาบทเป็นโลกวัชชะปนติวัชชะอย่างเงี้ยไปถามเรื่องกัปติยะเพกระวัตถุคนลังงานกับท่านเลยเพราะนั้นก็ต้องสา ม, มารถที่จะรู้ด้วยนะว่าใครที่สมควรถามปัญหาอะไรนี่เรียกว่าไม่รู้จักท่าทีนี้ต่อไปข้อเจ็ก็คือพิสูจไม่รู้จักดื่มเนี่ยเป็นอย่างไรเออไม่รู้จักดื่มไม่รู้จักกินไม่รู้จักดื่มเนี่ยนะเป็นยังไงเนาะบอกพิสูจนในาศาสนานี้ เมื่อธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมไม่ได้รับความรู้ธรรมะรู้อัฏฐและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมภิกษุไม่รู้จักดื่มอย่างนี้คือฟังธรรมแล้วไม่เกิดปีติไม่เกิดปราโมทอะไรสักอย่างเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักดื่มว่างั้นคือดื่มปีติปราโมทนั่นแหละเป็นอมะตะธรรมของผู้รู้แจ้งว่างั้น นั้นปีติปรามโมที่เกิดจากธรรมนั้นมีความสําคัญมากถ้าหากว่าเราฟังธรรมแล้วไหม่เด็เคยเกิดปีติปรามโมทฟังไปเหือดแห้งไปเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าผิดพลาดแล้วนะฟังจบโอ้ยมืดมิดพระเจ้าขา่าอย่างนี้ก็ตรงกันข้ามแล้วไม่ใช่ฟังธรรมนะใช่ไหมเพราะว่าสูตรของเขาเนี่ยนะถ้าฟังธรรมเนี่ยนะจบเป็นยังไงรู้ไหมแจม่มแจ้งนักพระเจ้าขา่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนงายค้องที่ความเปิดคล้องที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีในที่มืดเหมือนั้น เพื่อคนตาดีจะมองเห็นรูปได้ชั้นใดทำมเทศนาของพระ อ, องค์ก็แจ่มแจ้งอย่างนั้นแหละพระเจ้าข้าว่างั้นข้าพระ อ, องค์ขอถึงพระ อ, องค์เป็นเป็นสารณะพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุ ส, ษสงฆ์เราฟังและใจไม่ได้ชื้นขึ้นมาเลยเหี่ยวไปเรื่อยเเขวอะไปเรื่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เดิมเลยนะยนี่แสดงว่าเสียหายแล้วนะแสดงว่าเกิดจากความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาบอกว่าบทว่าปิตังณะชาติความว่าพิสูยย่อมไม่รู้คือไม่ได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะ <c oughs> คือปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมนี่คือยังไงถ้าคนที่พิจารณาพระธรรมแล้วเกิดปิติปราโมทเนี่ก็จะนึกภาพออกนะเนื้อารมณ์นั้นออกหรือคนที่ฟังธรรมแล้วตรึกตามพระธรรมนั้นมากๆเนี่ยนะฟังแล้วปิตินะาบางครั้งก็ขนลุกเลยเป็นต้นเนี่ยนะฟังธรรมะหมวดเดียวเนี่ยนะ มีความปราบเปื้่มใจเนี่ยชื้นไปตั้งเยอะเหมือนนายโคบานนั้นย่อมไม่รู้จักให้โคดื่มและไม่ดื่มฉะนั้นเธออาศายัยบุญญะกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยการฟังย่อมไม่ประสบอานิสงไปยังโรงธรรมแล้วย่อมไม่ฟังโดยเคารพนั่งหลับเนีย่ยนะฟังไม่เคารพคือยังไงหนึ่งหลับสองพูดคุย นะแล้วก็เป็นผู้ส่งใจไปในที่อื่นเหตุสามอย่างนี้เรียกว่าไม่เคารพธรรมหนึ่งหลับนี่ลึกซึ้งนะเข้าใจไม่ต้องอธิบายเลยคุยอันนี้ก็เข้าใจง่ายส่วนส่งใจไปที่อื่นนี่เป็นยังไงอา้าวก็พาประเทศไปเราก็คิดเรื่องของเราไปก็หมดเวลาเหมือนกันแหละอย่างนี้เรียกว่าส่งใจไปที่อื่นอันนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมคือไม่สามารถติดตามเนื้อหานั้นตามไปได้ เนื้อหาเป็นยังไงเราไม่สามารถสงใจติดตามเนื้อหาได้ตลอดอันนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมอย่างละเอียดหน่อยนะซึ่งใครก็มองไม่เห็นนะถ้าว่านั่งหลับนี่เออคนอื่นก็มองเห็นนะคุยคนอื่นอู้อันนี้ได้ยินชัดเจนแจ่มใสเลยแต่ถ้าสงใจไปที่อื่นเนี่ยนะเหมือนสุขุมเหลือเกินอย่างเงี้ยนึกว่าเลือกซึ้งที่ไหนได้คิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้พระก็พูดไปโยมก็คิดไปหมดเวลาพอดีพอดีเลยนะ นข้อข้อแคือยังไงคือพิสูจไม่รู้จักทางเออน่าสนใจมากก็คือไม่รู้จักทางพิสูจนในาศาสนานี้ไม่รู้ชัดอัดถังที่กรรมมักคือทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดอันเป็นทางอันประเสริฐตามเป็นจริงคือไม่รู้จักอริยมักอันประกอบด้วยองค์แปดตามความเป็นจริงพิสูุนไม่รู้จักทางอย่างนี้ อบอกว่าบทว่านวิพิงชานาติความว่าพิสุย่อมไม่รู้ชัดอริยมรตมีองค์แปดตามเป็นจริงว่าทางนี้เป็นโลกิยะทางนี้เป็นโลกุตระคือไม่รู้จักอะไรคือไม่รู้จกักมรรคปัจจัยว่างั้นเลยเหมือนนายโคบาล น, นั้นไม่รู้อยู่ซึ่งทางและมิใช่ทางฉะนั้นเมื่อเธอไม่รู้ตั้งมั่นแล้วในทางที่เป็นโลกิยะ ย่อมไม่สามารถเพื่อจะยังโลกุตระธรรมให้เกิดขึ้นคือไม่รู้จักสัมมามุขเนี่ยนะเบื้องต้นที่เป็นโลกิยะสมาธิฏฐินี้แบ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสังกประก็เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นโลกิยะและโลกุตระสมาธิฏฐิเป็นโลกิยะคือสัมาธิฏฐิที่เป็นหนึ่งกรรมสกตาสัมมาธิฏฐิ สองฌานสัมาธิฏิสาวิปั ส, สนาสัมมาธิฏิอันนี้เป็นสัมาธิฏฐิที่เป็นโลกิยะส่วนสมาธิฏิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าสมาทิฏิที่เป็นโลกุตระสัมมาสังกประที่เป็นโลกิยะก็คือการตรึกนเนกขมวิตกอัพยาปาท่าวิตกอวิหิงสาวิตกหรือกุศลวิตกนั้นเป็นเนกอุศลวิตกนี่เรียกว่า สัมมาสังกปะแบบโลกิยะส่วนสัมมาสังกปะที่วิตกหรือตรึกถึงพนิพานหมายถึงในขณะอริยมรรคเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นสัมมาสังกปะที่เป็นโลกุตระสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะก็คืองดเว้นจากวาจีทุจริต4แล้วพูดใช้วจีสุดจริตสเนี่ยนะสัมมากรรมตาก็คือเว้นจากกายทุจริตสา แล้วก็ประพฤติกายเอเว้นจากกายทุจริตประพฤติกายสุจริตแล้วก็สัมมาชีวก็เว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตและวจีทุจริตเนี่ยนะสังเกตดูนะว่าผู้ศาสนาไม่ได้บอกอาชีพใดเน้นอาชีพที่ไม่ทำด้วยกายธทุจริตและวจีทุจริตไม่ได้บอกเลยนะว่าคุณต้องไปทำงานยังไงยังงยังไไม่ได้บอกว่าไปทำอาชีพอะไรเนี่ยนะ ข า, ขายเป็นต้นก็ไม่ได้บอกแต่บอกว่าอาชีพใดก็ได้ที่เว้นจากกายทุจิริศ3และวจีทุจริศ4เนี่ยนะพูดไว้กว้างเลยนี่ชื่อว่าสัมมาชีวะคือพอถึงตรง อ, อ, อ, อ, องค์ของอาชีวะนี่นะฮะเจนพานทำให้ทให้แปลกใจว่าทำไมจึงมีความสำคัญมากจึงอยู่ในหนึ่งในแปดขององค์มรรคนี่ครับ ทั้งทั้งที่สมัมมาวาจาสมัมมกัมมันตะก็ก็ครบอยู่แล้วนี่นะแต่ต้องดึงอาชีพเข้ามาสนแสดงว่าต้องมีความหมายสําหรับผมเชื่อว่าคงเกี่ยวข้องกับผู้อยู่ในเพศบรณชิตทั้งคารวะทั้งบัณชิตคือความเป็นอยู่เนี่ยอยู่ได้เพราะอาศัยอาชีพใช่ไหมคือ<ม>คือการมีชีวิตในโลกนี้ก็แล้วแต่อาชีพอ่ะนั้นอาชีพเนี่ยเป็นเหตุให้มีชีวิตอยู่ได้งั้นถ้าหากว่าอาชีพนั้นถ้าไม่เกื้อกูลต่อ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิก็ลำบากวัน อ, อ, อาชีพที่เกื้อกูลต่อสัมมาวายามะเป็นต้นก็ต้องเป็นอาชีพที่เว้นจากกายะทุจริตและวจีทุจริตนั่นแหละ เ, เพราะว่าท่านเรียงสัมมาอาชีวะต่อจากสัมมากรรมตะเนี่เพราะว่าคนเนี่ยเวลามีความเห็นอย่างไรก็จะจะคิดตามที่ตัวเองเห็นหรือเข้าใจเข้าใจยังไงก็คิดอย่างนั้นแหละ เมื่อคิดอย่างไรก็จะพูดตามที่ตัวเองคิดไว้นั่นแหละอันนั้นเป็นวาจาใช่ไหมอพอพูดยังไงทำํำก็ทําอย่างที่พูดนั่นแหละการทําอย่างที่พูดเนี่ยการเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าอาชีพอย่า น, นัแล้วก็อาชีพนั่นแหละถ้ามีความเพียรมากอาชีพนั้นก็จะมีผลมากเป็นต้นอันั้นอาชีพนั้นก็ต้องมีสัมมาวายามะเนี่ยเกือ้อกูลแล้วสัมมาวายามะอันนั้นต้องเป็นไปตามหลักคือไม่ประมาท สัมมาสติแล้วก็ไม่ประมาทนั้นต้องสงบสัมมาสมาธิและอย่าลืมว่าสัมมาสมาธิหรือสมาธิเนี่ยคนมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงถ้าสงบจริงๆต้องไปเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิอีกครั้งนึ่ง น, น, น, นะนะก็จะวนเจริญกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่ากุศลธรรมเหล่านี้จะบริบูรณ์เมื่อบริบูรณ์นั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แก็จะเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจ น, น, นะนะ แต่ปัญหาสาคัญก็ต้องควรรู้เรื่องอริยศาสตร์ไว้ก่อนใช่ไหมหรือรอให้บรรลุ ก, ก่อนก็ไปรู้ง่ายยากไนหะเพราะว่าอริยศาสตร์นี่อย่าลืมว่ามียามในการรู้อริยศาสตร์ส อ, อย่างนะยามในการรู้อริยศาสตร์ส อ, อย่างก็คือ1อนุโพธิยาม2ปฏิเวทยาม อ, อนุโพธิยามก็คือยามที่เกิดขึ้นตามลําดับเนี่ยนะเบื้องต้นเลยนะับตั้งแต่การฟังเป็นต้นเรียกว่าอ ะ, อะไรนะ เรียกอะไรนะปฏิเวทยานกับพูดไปแล้วลืมไปอ่ะอะนะนุโพเออนุโพทยานอ่าใชา่พูดยังลืมเลยแสดงมาเต็มทีละแปดเลยเจ็บพ ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้หมดเวลาแล้ว น, นะรู้จักทางแลวนะกลับบ้านถูกแล้วนะ